วันนี้เราเราได้ขอ้อมูลได้ข้อคิดมากพอสมควรค้าหนึ่งทีคนข้างจะ <c oughs> อาจจะมามาเมืองไทยเมื่อสามส3สสสปีที่แล้วก็มาด้วยความคาดหวังเหกันเพราะว่าก่อนที่เดินทางมาเมืองไทยในจำพรรษากับทจาสุเมโลุกซิผู้ชา ตอนนั้นกำลังหาที่สร้างปัด่าอยู่ที่ประเทศอังกฤษเราจะมาวีสถานของการจะออกบวชต่อการใช้ชีวิตในผ้าเหลือนตอนนั้นอายุแค่20ปีแต่ตะมาไม่เคยคิด ที่จะโบตที่ประเทศอังกฤษพราตองการจะเป็นพระอยู่ในเมืองพุทอยู่ทางกล า, า, างวัฒนธรรมพุทธพระนารายณ ม, มาเมืองไทยด้วยความคาดหวังว่าจะได้มาอยู่ในเมืองพุท ก็เห็นโทษของความ้าดหวังเหมือนกันคิดหังประสบควรก็พยายามวุ่เคราะห์อยู่เหมือนกันว่าทำไมเมืองไทยมีชื่อว่าเป็นเมืองพุทธแต่คนส่วนมากส่วนใหญ่โกรใจที่จะเลือกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธ แต่วิธิพลของพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของพุทธปัญญาในแนวความคิดของพุทธศาสนาดูจะมีน้อยมากอาตอมาก็ได้วิเคราะห์ว่าสาเหตุนหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ว่าชนชั้นกลางหรือคนที่มีสตางค์หน่อย จะชอบสองลูกไปเรียนในรงเรียนคลิสและถ้าถ้าเป็นได้ก็ส่งไปต่างประเทศหรือว่าจบจกโรงเรียนคลิสในเมืองไทยก็ส่งไปทำเปิญญามึงนอกก็มีอบางบางแห่งเหมือนกันที่ เด็ไปอยู่อเมริกาเป็นต้นกรับความกดดันให้เปลี่ยนศาสนาแค่น้อยเด้กกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ยังพอใจที่จะเป็นกุธมารมกะจะถือตนว่าเป็นชาวพุทธเหมือนเดิ แ, แนวความคิดต่อมายชีวิตวิถีชีวิตไม่คอยสอดคล้องกับหลักพุทธอาตมาจึงจึงเห็นว่าในในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของไทยความเปลี่ยนแปลงที่เห็นรอบด้าน แทบจะไม่ได้อาศัยพุทธบัญญาเลย ท, ท, ทั้งๆที่ภูที่เป็นผู้กํนนกาหนดการเปลีป่ยนแปลง น, นั้นก็เป็นพุทธเกิดท่านนั้นนีอาตมาเป็นเพราะว่าปีดบัญญาน่าเป็นบัญหายู่ช่วงหนึ่งอาตมาก็ได้เดินทางไป น, นกาและเอาเด็กไถยที่อยู่ที่ พาเวิ r d ตมัง MIT มมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเมริกาพาไปเดินป่าแล้วคิดว่าถ้าทำวิทย์ะอะไรที่ต้องเป็นท่านการมากมากไปเด็กก็เครียดกับการเรียนอยู่แล้วก็คงไม่สนใจแต่ถ้าเราไปการเต้นแล้วก็เดินอยู่ในพุทธยานเองช า, ท ำ, ชาทำวัดเช้าทำวัดเย็นการวนมันก็เดิน ไ ม, ไม่ต้องเดินหลังเดินข้างๆก็ไดคุยไปเรื่อยให้ขอเิดเป็นทางการตางเป็นเป็นการเองชุ่ทางการแต่เนื่องจากว่าความรับผิดชอบชี้นดีมีมากนั้นก็เริ่มมีหน้าที่บริหารวัดยูสิทลูกหาเพิ่มขึ้นทุกปีก็เลย้องยกเลิกแต่ก็ยังยังถือว่าถ้าเราจะ มิสุนถึงจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆก็ตามส่วนในการที่จะแก้ปัญหาสังคมไทยต้องกลับไปหาผู้ปัญญาพุทธเป็นหลักโกน้านี้หลายรอ้อยปีพระตุณบางมองคนไทยส่วนใหญ่ว่าเหมือนกับปลายอยู่ในน้ำ ปลายอยู่ในน้ำเขาไม่รู้จักน้ำถามปลาว่าน้ำเพื่ออะไรปลาถ้าคุณได้ก็พูดไม่ถูกในสมัยก่อนนั้นอาจจะไม่เป็นโทษมากแต่พ่อโลกเปลี่ยนแปลงไปในเมื่อเราต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงและจะต้องการเลิกเฟ้นว่าในสิ่งต่างๆที่ แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันทุกปีนั้นเราควรจะรับส่วนไหนบ้างในลักษณะไหนบ้างเพราะไม่ได้ เ, ยเิยกำหนดหลั ก, ากการของพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติ ท, ที่ชัดเจนก็เลยไม่มีมาตรฐานไม่มีเครื่องกรองก็กลายเป็นความ งมงายว่าสิ่งใดเกิดจากนุ่นนอกก็ดีหมดถ้าจะมามองความเสื่อมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่าเกิดเพราะอิทธิพลของอารียธรรมตะวันตกส่มาก และทุกวันนี้ที่เจอบ่อยๆก็คือคนไทยชอบบนเรื่องคนไทยเพราะเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์คนไทยก็เป็นอย่างนี้อันตรมาจะมามเกิดค้าในใจอย่ทุกครั้งว่าไม่ใช่คนไทยเท่านั้นเป็นอย่างนี้ทั่วโลกแต่ไม่ว่ามองโลกต้านตกในแง่ดีเกินไปมันก็เลยที่ว่าเป็นปัญหาเฉพาะคนไ และคนไทยเราเชาวพุทธเราจะมองข้ามสิ่งที่ดีในวัฒนธรรมในสังคามเรามากเหือนกันถ้าจมายกตัวอย่างง่ายๆพูดถึงยุทธศาสตร์ทฤษฎีของการ ก, ก่อการร้าย<ม>เขาก็มีทฤษฎีเหมือนกันนะมไม่ได้ทำด้วยการ<ม>พยาบาทอาฆาตอย่างเดียวทฤษฎีก็เธอ เราไปปลอมเราไปฆ่าเขาโดยเฉพาะที่จะได้ผลมากที่สุดคือคนที่ไม่โอ่นนีในี่ดีที่สุดเพื่อให้เขาโกรธสิ่งที่ต้องการก็คือกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งมีปฏิกิริยารุนแรงเมื่อมีปฏิกิริยาตอบที่รุนแรง ฝฟายผู้กกอการร้ายจะได้พามาเห็นไหมเนี่ยเขาออกดทีเข้าเปลีปล่ยนเพราะเห็นนี้แหละที่เราต้องก่อการร้ายม่มีทางเลือกซึ่งเป็นวิธีรุนแรงให้มีพรรพวกมากขึ้นเป็นวิธีที่ได้ผลชัวร์โลกประเทศเดียวเท่าที่ทราบที่ไม่ค่อยได้ผลคือประเทศไทยมีไม่ทีเคยมีข่าวที่ชาวพุทธไปเผามัีย ที่ไปทําร้ายร่างกายชาวอิสลามที่ชาวอิสลามที่ผู้หญิงอิสลามไม่กล้าเป็นตัวเป็นอิสลามกลัวจะโดนสาโดนโดนเบียดเบียนเขาที่ทราบมี้แทบจะไม่มีเลยนี่มันเป็นความอัศจรรย์ซึ่งในโลกปัจจุบันนี้หาได้ยากมากเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งแทบจะไม่เคยเห็นใครกล่าวถึงเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาน ของชาวพุทธนี่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ว่าปลาอยู่ในน้าแม้แต่เินที่ดีของเราก็ไม่ค่อยเด็กสั่นึกที่อาจารมาพยายามพูดบ่อยๆก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแวกแนวเป็นของะร ะ, องะดระเภทของระกูกลกับศาสนาทั่วตัวไป ปัญหาก็พบเชา่าพุทธเองไม่ได้สํานึกไม่ได้อธิบายให้เรื่องนี้ฟังาศาสนาคุก็ถูกรวมอยู่ในกลุ่มศาสนาที่ปัญญาชนทั่วโลกตําหนิกว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โลกมีขาดความสงมบพุทธศาสนานะเราเป็นาศาสนาแห่งการกระทา ไม่ใช่ศาสนาเป็นความเชื่อดังนั้นการที่ชาวคริสต์ชาวอิสลามชาวฮินดูชาวอะไรจะขึ้นสวรรค์หลังจากตายไปแล้วชาวพวกเราให้คัดค้านเส็นได้เพราะไม่ได้อยู่ที่ว่าเชื่อในพระเจ้าองค์นั้นพระเจ้าองค์นี้อยู่ที่คุณภาพของการเกิดทำของการวางใจใจความเชื่อสูง แต่การกระทำตกต่ำการกระทำในน้ำหนันมากกวา่า mm hmm. การอ้างคําสอนในศาสนา mm hmm. เพื่อทําความชั่วในโลกปัจจุบันนี้มากชาวพุทธก็ทําความชั่วเหมือนกันแต่ชาวพุทธที่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่อ้างในการทําความชั่วยังไม่มีเพราะไม่มีถาได้หาไม่ได้ อันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องการให้เราสังนึกและกุจับที่พวกในเรื่องนี้เพราะว่าอาตามาหมองว่าทุกวันนี้เรามีพุพทธศาสนาเป็นอย่างน้อยโดยสมมติเป็นศาสนาของคน 90% ของประชากรซึ่งทำให้เรามีสัพเียภาพที่จะมีสังคมที่มีเอกภาพสูงมาก พุทธศาสนาเป็นรากเง้าของสวนที่ดีในประเทศไทยสวนที่ดีในวัฒนธรรม่ายเกิดทั้งหมดและในการอยู่ในชุมชนและแม้จะอยู่ในสังคมอย่างพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเห้ปัจจัยของความการอยู่ดีมีความสุข ได้ก็คือทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกันคือเป้าหมายชีวิตสอดครองกันามามาตรฐานการกระทําวิธีชีวิตสอดครองกันมาคือที่ว่าสอดครองกันได้ก็ยังมีความหลากหลายอยู่บ้างแต่ว่าไปในแนวทางเดียวกันทุกวันนี้ เราก็เอาแนวความคิดแบบตะวันตกมาโดยไม่ได้กำตรองแล้วสิ่งที่เป็นวิธีวิธีการกลาเป็นเป้าหมายโดยปริยาตามพระพุทธปัญญาแล้วถามว่าเราต้องการอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตของเราแต่ละคนเป็นเป้าหมายของสังคม คำตอบมักจะคร่ามัวไม่ค่อยจะชัดเจนเมื่อไม่มีความการพูดคุยในเรื่องนี้นและไม่ชัดเจนในเรื่องตามหมายาก็กลายเป็นว่าความเติบโตของเศรษฐกิจถ้าเติบโตเอดีกว่า6ดีกว่า4ซแต่ถ้าเราถามว่าเพื่ออะไร พัฒนาเศรษฐกิจ mm hmm. ให้เศรษฐกิจเติบโตเพื่อนั่งที่สุดเพ mm ื่อความคิดที่อย ah ู่เบื้องหลังที่อาตมาต้องการให้ทุกคนมายกมาพิจารณาหม่ว่าโลกตะวันตกประสบความสำเร็จในการพัฒนาจริงหลือแล้วอะไรเป็นเครื่องชีวะความสำเร็จสรังอาตมา เพิงชีวิตของความไม่สำเร็จยิ่งง่ายกว่าเน่งถ้าสังคมไหนมีความไม่อยู่ที่ธรรมมีความเลื่อนล้ำมีมากมีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมากมีความอุนแรงมีคนติดเล่าติดยาเสพติดมากอาชญากรรมสูงโรคจิตประบาดน่าจะเป็นการ ที่บอกชัดเจนเลยว่าสังคมนั้นมีปัญหามากสังคมอเมริกันสังคมอังกฤษ ก, ก็เป็นเช่นนี้ระบบการศึกษาของอเมริกากับอังกฤษไม่ประสบควาสมสาเร็จจิงยูเราเอาเอามหาวิเชยาลัยชั้นนำที่มีทูลมหาสารไม่กี่สถานที่ตาขอดไป ประบบการศึกษาคงตะวันดาลปัญหามากถ้าใครสนใจศึกษาก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตดอ problems of American education system นีเป็นเสนๆท่านอาตมาจึงจึงมองว่ามองทั้งนานแล้วว่าเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแน่นอนนะ เมืองไทยเรอไม่มีหวังที่จะเป็นผู้นาโลกได้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์เราธรรมชาติของมนุษย์วิธีพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพการพัฒนาสังคมในทางที่น่าอยู่มากขึ้นเมืองไทยสามารถเป็นผู้นาโลกถ้าเอารับพุทธศาสนาเป็นที่ตัง้งทุกคนในอัศวมาก็พยายามเลี่ยง ข้างมาพุทธศาสนาเพราะคนจะเข้าใจในรูปแบบมากเกินไปแต่หัวใจของพุทธศาสนาคือการคือศึกษาการศึกษาอาตมาจึงกล้ายืนยันว่าการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นระบบการศึกษาที่บูดงสบู ม, มุ์ที่สุดที่เคยปรากฏในโลกมนุษย์ แล้วทำไมในเมื่อสังคมเรามีศาสนาพุทธเป็นสัพยากรใกล้มืองที่สุดเป็นระบบการฝึกเป็นระบบการพัฒนาหรอเป็นระบบการแก้ปัญหาทั้งในระบบบุคคลระดับระดับครอบครัวชุมชนสังคมที่ดีเลิกแล้ว ทำไมเราไม่ได้หันมาสนใจในสิ่งที่ดีอยู่แล้วแทนที่จะเอาใจาน้องตัน้นเอาจะดีบ้างอะไรที่เป็นการเข้า ก, กาลังเพือการทำงานดึงเป็นกั น, นก็แล้มีความอาตมาก็มีความเชื่อว่าของเราเนี้มันพร้อมพร้อมอยู่แล้วและในเมื่อเราสามารถเคยแผ่ และอธิบายในสํานวนที่คนทุกระดับชั้นในสังคมเขาจะได้ตั้งแต่ชาวนาไปถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีมีภาษามีสํานวนร่วมน้ปันาหน้าเจริดังในช่วงวันนี้เราหลงทางทางมัง น, นอกเขาหลงทางไปขอนแต่แทนที่เราจะ ได้บทเรียนจากเขากละจไปไม่เข้าใจาของตนเองไม่เชื่อมั่นในตนเองก็เลยล้องถามกันเขายีกไปถูกของเราอนยะ่างน้อยเราจะเรีนเพื่อนเพราะว่าเราขาดความเชื่อมั่นเพราะเราไม่ได้ศึกษา อามาฟังผูพพ้พูดตรงๆฟังคนไทยเป็นชาวพุทธกล่าวถึงหลักการของพุทธศาสนาที่ก็รูมใจอยางยางเช่น เ, เรื่องการที่จะพัฒนาการศึกษาวิธีพุทธขอสงสัยว่าเ้วเด็กเขาจบจากนี้จะเอาตัวรอดได้หรือในการที่ ข้อสองสัยได้ออกจากบาทของชาวพุทธเองน่าคิดมาก <c oughs> เพราะว่าคำสอนพระเจ้านี้สอนให้เราพัฒนาทุกๆด้านของชีวิตพร้อมกันให้เราดูอะไรคือปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีไม่สักข้อหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับกิเลส ข, ของคน ไม่เกี่ยวกับความโลภยาไ่ได้ไม่เห็นไมเกิดจากจากความโลภความโกรธความหลงมีไมแ ม, ม้แต่ข้อเดียวอย่างเช่นเรื่องขอรรชั่นในครรชั่นมันเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากหนึ่งจากแนวความคิดค่านิยมพผิดความเข้าใจว่ามีเงินมีทองมอีสิ่งเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต เกิดจากการบริหารอารมณ์ของตัวเองไม่เป็นที่ต้องการให้ทุกคนได้สังเกตจากประสบการณ์ตัวเองและจากคนรอบข้างและคนในสังคมทั่วไปว่าคนฉลาดที่วิีเราเรียกว่าปัญญาชนทำสิ่งโง่ๆอยู่ทุกวัน คนเราสามารถฉลาดในบางเรื่องและไม่ฉลาดในอีกหลายๆเรื่องได้ <c oughs> มีธรรมเนียมของเมืองนอกอย่างหนึ่งอาร์ตมาวันนี้ขอชมของเมืองนอกคือถ้าคนเขียนจดหมายถึงปรณาธิการนั้นซื้อพพมพ์เป็นต้นสมมติกว่าเป็นเรื่องสังคม ปัญหาสังคมผู้เขียนจบปริญญาเอกทางวิศวะเป็นต้นถ้าเขาเติมคําว่าด็อกเตอร์ตองวงเล็บวงเล็บหมายถึงว่าชั้นเป็นด็อกเตอร์แต่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ในเรื่องสังคมเป็นด็อกเตอร์ในเรื่องวิศวกรรมก็ไมาได้เฉยว่าเพราะมีปริญญาเอกในเรื่องหนึ่งฉลาดในทุกๆเรื่อง ที่นี้เราบูชาปริญญาบัตรมากเกินไปจากที่เราเคยดกลงว่าสังคมเราจะเก่าหน้าจะดีขึ้นเพราะการศึกษาก็เสื่อมไปเป็นว่าเราจ ะ, ะเดาจเจริญจะเก่าหน้าเพราะการเรียนเสื่อมขั้นสุดท้ายคื อ, อสังคมเราจะปลอดภยัยสังคมเราจะดีเพราะจำนวนปริญญาบัตรไม่เห็นจะเกี่ยว เด็กที่เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่ากันว่าจะขายยาเซพติดกับใครขายขายหลุกคนโดยคนที่อาสูงฉ um, ลาดได้ติดยาเสพติดเยอะมากอเมริกาก็มาถูกพูดถึงอเมริกายารักษาโรคอันดับหนึ่งที่หมอที่เมริาดาจา อันดับหนึ่งคืออะไรอันดับที่สองก็คือเรื่องความรักษาความกดดันความความดังโลหิตสูงไม่เรื่องคอเลสเตอรอลจับไม่ค่อยได้แต่อันดับหนึ่งคือยาแก้โรคซึมเศร้าหมอที่เมกาจ่าย สั่งยางนี้ปีหนึ่งร้อยกว่าลาครั้งมีหมอคนหนึ่งเขาเล่าว่าเพื่อนมีคนไข้ไปหากลุ่มใจว่าสามีบริาหารเงินไม่ได้ชอบเล่นพ้นนะเล่นแบบแบบไม่ระมัดระวังกลุ้มใจมากหมอก็สั่งยาง ยาแพักเซีออยยาอไหกลับไปหาหมอหมอเขาทนมันเป็นยิงตีขึ้นขาตอนนี้ทำใช้ได้สบายมันคิดตลอดมากโตมาเดือนสองเดือนสามีล่มละลายเล่นเล่นพุ่มมากไม่รับผิดชอบทำให้ลงมละลาย ภรรยาอย่างน้อยภัรยาก็ไม่ซูมเศร้ามากเาท่าทานยาหมอคนนี้ก็บอกว่าทุกวันนี้ เ, เราแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาสังคมปัญหาความไม่ถูกต้องปัญหาวิถีชีวิตที่ไม่สดดดามัคคีตัวยาพุทธศาสนิาที่เมื่อกี้เนี่ยจะมาบูรณะงงถูกไม คนมอกว่าคนจบจากโรงเรียนพุทธปัญญ า, าทำไมจะอจอเอาตัวรอดไห้หรือในอตัตมาจึงพยายามเน้นคำว่าตื่นรู้เพราะไม่ใช่ว่าทำให้ใจสงบเหมือนกับทานทานยา <c oughs> ทานากรประสาทความความสงบคือสงบจากสงบจากความโน้มสงบจากอารมณ์ เป็นพิสระจัดความปิดครั้งของกิเลสรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่วิ่งตามอารมณ์จึงมีหลักว่าวิ่งตามอารมณ์มันก็ไม่ทำต้องหยุดจึงจะทำได้ต้องรู้จกักจุดนั่งในรถวิ่งเร็วๆมองออกไปทางนอกเห็นอะไรไม่ค่อยชักโจอดรถแล้วก็เห็นได้เห็นตัวเองต้องรู้จักหยุดใช่ปะ แต่ไม่ใช่หยุดแล้วหยุดไปเลยเฉยเมยไปเลยแต่หยุดแล้วเกิอรักรู้รักทราบต่อข้อมูลต่างๆโดยปราศจากอคติไม่เข้าข้างโดยเอง <c oughs> เพราะเพราะคนเราส่วนใหญ่ไม่เคยดูจิตใจจึงไม่เข้าใจความหมายของธรรมะสมองเรื่องเจริญไม่ไม่กลัวกิเลสไม่กลัวกิเลส ก, ก็ไม่เห็นกิเลส ต้องกล้าต้องกล้ามาองด้านไหนอโอ้นี่แหละคือกิเลสนี่แหละตัวปัญหานี่แหล ะ, ะคือสิกงก่อความทุใจ่ตรงนถ้ามียกตัวอย่างผู้มีผู้ฝึกจริงผู้มีปัญญาได้ก็คือภู้มีสติสติสติเป็นเนื้อไขของปัญญาอย่างเช่นเขาสังเสญ เขาส่งเสริญว่าคนฉลาดขนาดไหนจบปริญญาตรีปริญญาโทปัญญาเอกเนี่ยถ้าขาดการฝึกจิตไม่ฝึกไม่รู้จักบริหารจิตจิตก็ไปอรัเขาส่งเสริญที่จ่าเลยเนไเป็นเป็นธรร ท, ทีไม่มีความเป็นนิสระไม่มีความเป็นมนุษย์อะไรอย่านเป็นบุญกระบอกผู้มีสติ พอเขาสั่เสริมจิตใจไม่วิ่งหยุดพหยุดแล้วมีปัญญาว่าคนสังสนส่งเสริมตัวเจตนาเขาสั่เสริมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชื่นชมจริงๆเขาจริงใจก็าอาจจะชื่นชมอาจสั่เสริมเพราะเขามองในเรามองเราในแง่ดีเกินไปเขาอาจสั่เสริมเราเพราะเขาต้องการประจกุกหวังคลประโยชน์ เป็นต้นพอจิตใจหยุดมีสติแล้วอารมณ์ความเคยชินที่เคยพาไปหลงไหลอยู่กับสิ่งบังประุ้นเราก็หยุดได้กลางกรอบ น, นะตราบใดที่เรามีการฝึกสติอย่างโดดเื่งยังเป็นทางการ เรื่องความยับยัง้งชังใจเรื่องเรียกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรขูดอะไรโทษรู้มันก็รู้อยู่แล้วทุกคนไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่เมื่อจะรู้จะพาะเวลาไม่มีกี่เลยรู้จะพาะเวลาไม่มีอะไรยุยยุ จ, จิตใจแต่ทํายังไงเราจึงจะใช้ปัญญาใช้ความคิดทำยังไงเราจึงสามารถ รู้ว่าในคณะปัจจุบันเนี่ยสิ่งนี้ไม่ถูกต้องสิ่งนี้ถูกต้องนี่ก็คือสิ่งคาถ่ายเป็นสิ่งที่คาถายระดับบุคคลระดับสังคมการสังสอนว่น่นเอเนื่องเป็นบาปนะมันไม่ดีนะแหมใครจะไม่รู้สังสอนไม่รู้ผิดเอเ อ, เอคนที่คอร์รัปชันเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าผิด เขารู้เหมือนกันนะไม่สนใจแล้วเขาไม่มีเครื่องมือที่จะจัด ก, การดับอารมณ์ของตัวเองนั้นการฝึกสติเนี่ยเอาง่ายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภายในภายนอกฝึกสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ไม่นานเลยความรู้สึกว่าเราเป็นคนชื่อนั่นชื่อนี้ไม่มี แม้ใจความรู้สึกว่าเราเป็นคนดีคนชั่วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ไม่มีเป็นการสัมผัสโดยตรงว่าสิ่งนี้มีอยู่ข้างนอกและถ้าเราสัมผัสความสมบภายในเราจะรู้สึกว่าเรื่องการีค่าตัวเองก็เป็นคนมีค่ามากเป็นคนมีค่าน้อยเป็นคนน่ารักคนไม่น่ารักเป็นเรื่องเพ้อเหิน พอเราเรารู้สึกแ่บเอสิ่งที่เป็นตัวจริงที่ปรากฏชัดในเมื่อเราไม่คิดปรุงแต่งไม่วุ่นวายเพราะชีพใจปกติแล้วไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยความคิดอย่างนั้นมาที่หลังมันเป็นวงนอกอการที่เราพยายามอยู่กับลมหายใจเป็นต้นผู้ต้องใช้ความอดทนต้องขยันมันเป็นการฝึกคุณธรรมทางๆที่เราจะใช้ ในชีวิตประจำวัน พ, พุทธเจ้าท่านสอนว่าความอดทนเป็นเครื่องเา้าอิเลตอย่างนี้นั้นระบบการศึกษาทั่วไปแน่นอนนะทุกครูทุกคนไม่ว่าที่ไหนต้องการให้เด็กมีความอดทนแตวทุกวันนี้มีการสอนไนหะมมีมีการสอนให้เด็กมีความอดทนเป็นทางการไหมสำหรับาทาง พุทธกัญญาของเราเนี้ถือว่าคุณธรรมแต่ละข้อเนี่ยต้องยกเป็นเป้าหมายที่เดียวเพราะถือว่าถ้ า, ถ, าถ้าเด็กจบการศึกษาแล้วไม่ได้พัฒนาความอดทนเรียกว่าไม่ในเรื่องเพราะถ้าสิ่งที่จะปลอมทลายชีวิตของเราในทุกๆด้านในทุกๆระดับคือกิเลส ถ้าเราไม่อดอทนอดกิเลยแล้วว mm hmm. ันฉันประสบความสมเร็จได้อย่างไรองรู้เท่าทางีนิดในการยกเลิกความความยุ่งกับะจะว่าเป็นเรื่องการจะเป็นเรื่องเกมจะเป็นเรื่องอเรื่องความสุขหรือสิ่งไร้าสาระต่างๆ ยาเสพติตดอะไรตัวต่างเมื่กี้นี้เาวิเคราะห์วาพราะเหงาผู้ที่เจอสติอะไรนักลอบอะไรไม่มีความออรู้สึกความเหงาความเหงานี่ก็เป็นความพรแอของจิตใจมันไม่ใช่ชะตากรรมจึงยุค ป, ปัจจัยภายนอกทางสังคมโครงสร้างสังคมโครงสร้างเศรษฐกิจสถาบันครอบครัวสิ่งเหล่านี้ เราก็ต้องพยายามแก้ไปเรื่อยๆแต่พร้อมกับการแก้ในปัจจัยภายนอกต้องแก้ปัจจัยภายในคนที่อยู่กับลม ห, ห, หายใจเข้าลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้แดงดอเรื่มรู้สึกส ม, มดุลรู้สึกปกติในขณะนั้ น, น, นไม่รู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรขาด เป็ น, ปนการค้นพบสิ่งที่เลิศที่สุดในชีวิตก็แค่ว่าไม่ไม่ปล่อยให้จิตใจเผลออยู่กับความจำและความคิดได้บริหารจิตใจได้เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆได้อยู่กับสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกคำว่าเหงาไม่มีคำว่าหิวโหยก็ไม่มี คำว่าขาดนั่นขาดนี้ไม่มีตอนถ้าเราสอนแต่รับสินค้าหรือว่าแก้จะดปอกภายนอกอย่างเดียวมันไม่ครบมันไม่สมบูรณ์เราก็ต้องไปแก้ดังนั้นถ้าจิตใจของเด็กได้รับการฝึกอบรมตั้งแต่ยังไม่ไวัยรุ่นรู้จักปล่อยวางความเครียดรู้จักปล่อยวางความมิตตกกังวลรู้จกัก รักษาจิตใจเมื่อสสเสริมเศร้าเลือกเมื่อน้อยใจเมื่อไม่พอใจคุณพอ่อคุณแม่เป็นต้นได้ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับประถมแล้วก็จะมีเครื่องป้องกันอันตรายในเมื่อถึงยุดที่โโผงกำลังวิงเต้นเกช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วที่คจะแก้ยากต้องเริ่มทั้งแต่ยงไม่วัยรุ่น ให้เด็กรู้นี้ก็คือความกังวลรู้นี่ก็คืออารมณ์ศึกษารู้จักธรรมชาติของความกังวลธรรมชาติของความน้อยใจธรรมชาติของความเสียใจธรรมชาติของอิจฉาธรรมชาติของความอยากได้รู้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เ อ, อ้ยมันแล้วก็รู้จักทางที่จะแก้อารมณ์ตัวเองได้ปัญญาความตื่นรู้เกิดขึ้น จากความฉลาดในเรื่องพฤติกรรมความฉลาดในความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุความสัมพันธ์กับโลกวัฒนธรรมรู้จักวิธีป้องกันสิ่งที่เป็นบาปหรือว่าสิ่งที่เป็นอคติศรัทที่ทำให้ชิดใจรู้สึกสดกบป้องกันได้หรือว่าในกรณีที่ป้องกันไม่ได้สามารถเรีงนร้ สามารถปลุกฝังสิ่งดีงามต่างๆได้แล้วก็สามารถดูแลสิ่นที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปพุทธศาสนาปัญญาจะเป็นความความรู้ความเข้าใจที่ทันการยุ่ในปัจจุบันแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ถ้าเป็นแค่ความรู้เฉยๆหรความรู้เป็นสัญญาแต่เมื่อมีผลดองพฤติกรรมยังไม่ใช่ปัญญาที่ต้องการ บางคนรู้รู้ว่ามันมีดีแต่อดไม่ได้นั้นไม่ใช่ปัญญานั้นปัญญาที่เราถูกวันนี้ไม่แต่คําว่าปัญญาแล้วใช้เลิกเถอะเลยไม่ได้ว่าไม่มีปัญญาซื้อก็ย่างนีใช่ใช่ใช่แบดีเลยไม่ชัดเจนต้องเป็นปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันทําปัญหาแก้ปัญหาได้เราทำไม่แก้ทีเดียวก็ปัญหาปัญหาได้วันเป็นวาน แมวทางที่ทถูกต้องก็เป็นการรู้จักคิดรู้จักเรียนรู้จากประสบการณ์เมื่อคิดพลาดแล้วไม่ปล่อยให้จริงใ จ, ใจต่าว่าตัวเองหรือ ว, ว่าสรุปว่าตัวเองดีๆเราือว่าเป็นเงินเป็นแท่ความคิดผิดเชิดเฉคืออัตมัพยายามพูดอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราไม่มีนามีต่เบอร์ เรียงภาษาไม่มีนามวิจิริยานั้นเราก็บอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการกระทำแม้ใช่คนที่คนทั่วไปดูทุกข์ดูมินหรือว่าเออคนนั้นก็เป็นโสเภณี<ม>เขาเ ป, เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีการกระทำแล้วก็เอาการกระทำมาประคับตระคองแต่ว่าเ้าไม่ใช่ ไม่ใช่โทษนะไม่ใช่ขายตัววันหนึ่งยี่ส่ชั่วโมงนะก็เป็นพฤติกรรมประจําพฤติกรรมที่เป็นอเอกลักษณ์ของคนนะั้นแต่เป็นแค่เรื่องของพฤติกรรมเป็นเรื่องของความคิดการพูดการกระทําซึ่งไม่ใช่ของแเดิมของทุกคนนะั้นเรามองตัวเอง เ, เหมือนกันเราเป็นคนดีไหมเราเป็นคนไม่ดีไหมเราเป็นคนฉลาดไหมเราเป็น แล้วก็มีการกระทำแล้วก็มีแนวความคิดที่ดีบ้างไม่ดีบ้างฉลาดบ้างงงบ้างดันั้นจะทำยังไงเอาส่วนที่งงพยายามให้น้อยลงส่วนที่ฉลาดใ ห, ให้ให้มากขึ้นอาจะมาเมื่อเมื่อของข้าพัรศาก็ไปเอ่อไปไปเยี่ยมวัดอเมริกาก็สมทนาธรรมก็พบกันชาติมีมีคาถามมุมมองเกี่ยวกับเรื่องความ เคารพตัวเองเรื self ่อง Self-Esteem ว่าท่านพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้นไหมพวกเราตอบได้ไหมจะตอบไหมเซลฟิ e ตพุทธศาสนาสอนไหมอาตมา ก, กเ็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่ออาตมามาเมืองไทยแรกๆทานทางจังจหวัดที่ผู้บนชาวบ้านจนมาก ไฟฟ้าเราไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ตอนเช้าคนส่วนใหญ่จะเดินหน้าบ้านร้อมที่จะใสบ่บาตรบางคนมีจานเก่าแล้วมีข้าวเหนียวสักหกก้อนแล้วแต่จำนวนครัแล้วคนก็เอาเข้าวเหนียวใส่บาตรพระโอราก้อนเล็กๆ มาว่าคนนี้เนี่ยจนที่สุดในในบ้านวุ่นวายเราก็ยังมีข้าวเหนียวขนาดนี้ที่จะซ้ายบาท ก, กันเป็นการพิสูจน์กับตัวเองว่าชีวิตมีค่าเพราะมีส่วนในการบำรุงศาสนาที่เรานับถือการให้ถานนีต้องเป็นการพิสูจน์ทุกครั้งว่าชีวิตเรามีค่าเพราะมีผลดีเราให้อะไรกับคนนะเราเห็นไม้แต่เขายิ้มนิดนิด หรือว่าเขาจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณเลยค่ะหรือว่าเราได้ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปไปเพราะเจตนาที่ดีของเรานี้ก็คือสิ่งที่จะเสริมความรู้สึกว่าชีวิตคงตัมีค่าเพราะสามารถจะให้กับคนอื่นได้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆ น, น, น้อยๆอยถึงจะไม่มีต่างแล้วก็อย่างนั่งฝังความทุกข์ของเพื่อนให้เวลา แล้วก็ทุกคนก็มีอะไรที่จะให้กับเขได้ภูมิที่ให้เป็นประจำเป็นภูมิที่เคารพนับถือตดยเองหรือสาวเีเพราะที่สองคือศีลนั่นเองศีลธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่สั่งมาจากข้างบนเกิดจากปัญญาที่จะเข้าใจเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่สังคมที่ที่สมานสามัคคีมีความสุขไว้วังใจกันได้ แต่ต้องเกิดจากความสมัครใจของแต่ละคนมันจึงจะเป็นศีลถ้าไม่ฆ่าศักไม่รักขโมยเพราะกลัวที่โคกตดิดตาลดีเหมือนกันแตไม่ไม่ใช่ศีลในความหมายของไตรสิกขาเพราะสําคัญที่จิตใจต้องสมัครใจเมื่อเราตีกรอบการกระทำด้วยกายวาจาของเราแล้วก็สามารถบริหารพฤติกรรมของเราภายในขอบเขตที่เรากำหนดเอง ด้วยความสมัครใจไม่ท้งสงสัยเซลฟิสตีมาแล้วเรื่องการรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าเนี่ยหายไปแล้วเรื่องการให้ทานรักษาศีลแค่นี้นะเป็นตัวฐานที่มั่นคงเลยทีนี้เราก็สอนเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลแต่ไม่ค่อยให้เหตุผลทําไมจะต้องให้ทานทำไมจะต้องรักษาศีลนึกว่าโอ้ถ้าไม่รักษาศีลตกนรกรักษาศีลแล้วเป็นสวัสดิ์อะไรง่ายๆอย่างนั้น อันนั้นก็ไม่ปฏิเสธจริงเหมือนกันแต่ต้องการเป็นเหตุผลที่ทุกคนแม้แต่คนยังไม่มีศรัทธาจะเห็นได้ในชีวิตประจำวันใช่ถ้าหากว่าเราดูพฤติกรรมของเราวันนี้เราไม่มีอะไรที่เราจะตำานิติเตียนด้วยเองได้ไม่มีสิ่งใดที่แม้แต่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนัเถือท่านทราบแล้วท่านงตำหนิเราไม่ได้มีความสุขทุกทียิงถ้าเราภาวนา แล้วก็ได้ความสุขจากการฝึกจิตในการปล่อยวางสิ่งสมองอยู่ในจิตใจแล้วโ อ, เ, อเรื่องการจะเลิกจะละจะอะไรไม่เห็นจะยากเพราะว่าเรามีแรงความสุขที่เป็นของเราโดยแท้ที่ไม่มีใครแย่งชิงได้ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเราเลยแต่ถ้าการเป็นชาวพุทธของเราตามเป็นมุตตามากาได้เอาแต่บางส่วน อันนี้ก็คือเป็นระบบ อ, องค์รวมจะเอาแต่บางส่วนมันไม่ได้จะได้ผลจะต้องปฏิบัติทางในด้านพฤติกรรมจิตใจปัญญาพรา้อมๆกันพุทธปัญญาจึงเป็นผลของวิถีชีวิตที่ที่รับรู้ต่อความจริงของธรรมชาติมีการฝึกมีการพัฒนาคุณภาพการรือธรรมคุณภาพากัญจา คุณภาพอาตมาเคยพูดกับพระสมที่วัดป่านามาชาติอยา่ประจำผมนะี่ยผมไม่ได้คาดหวังให้ทั้งเก่ทงทัาใไม่เก่งก็ได้ผมข้ออย่างเดียวผมขอให้ท่านจริงใจขอให้ท่านพยายามแค่นี้ผมเห็นท่านคลิกพลาดบ่อยๆผมไม่ว่าครับผมเชื่อว่าทํานพยายามแต่จะให้เมบริสุดทุกข์คลองให้เลยไม่ผิดพลาดไม่หลงอารมณ์ เลยนั่นก็เป็นระดับพระอริยเจ้าผมก็ไม่ได้คาดหวังเหมนแต่ข้ออย่างเดียวขอให้มีความภยายาแค่นี้นะทําจะมีความสุขสังเกตไหมว่าถ้าเราเชื่อว่าถ้าวันนี้บางสิ่งบางอย่างไม่เรอดไม่ดีแต่ด้วยโชคเราก็มีความพยายาแล้วเมื่อเราทิพย์พราหแล้วเราก็ไม่ได้ติดปางนำพราห์ไม่ได้ไม่ได้อ้างนั่นอ้างนี่ไม่ได้อื โทษพ่อแม่ไม่ได้โทษสิ่งแวดล้ามันแต่ว่าเรียนรู้ว่าปัญหานี้เกิดเพราะเราขาดสติปัญหานี้เพราะว่าเรายัางเราไม่รู้เท่าทางกิเลสตัวเองเราก็ต้องปรับปรุงก้ไขต่อมาแล้วพุทธศาสนาจึงเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราทุกคนไม่ว่าคนไทยคนอังกฤษชาวตะวันออกชาวตะวันตกผู้ชายผู้หญิงทุกคนมีศักยภาพที่จะพยายาม และมีสติปัฏาพที่จะทำให้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเสื่อมในใ จ, จตัวเองชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมไทยเราทุกคนสามารถทำให้ตดน้อยลงได้แล้วสิ่งที่กำลังเป็นทุดดีและเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขความเฉริ่เป็นความหวังของชีวิตเราเป็นความหวังของครอบครัวชุมชนสังคมนี้ ทุกคนมีสิทธิที่จะพยายามมีสิทธิที่จะปรับปรุงที่จะพัฒนาสิ่งนั้นให้มีมากขึ้นเราจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเราไม่ต้องคิดมากให้เราคิดว่าเรามั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องได้หลัพภูมีอุทิภาวะภูที่ดำเนินในหน้าทางของของอพุทธธรรมนั้นจะเป็นภูที่มีความสำนึกและความมุ่ง ม, มั่นในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้น ในโลกนี้เนี่ยก็มีสิ่งไม่ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องไม่ถูกใจถูกต้องถูกใจไม่ถูกต้องถูกใจถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องไม่มีขยะกทำอแล้วสิ่งที่ถูกใจด้วยถูกต้องด้วยทุกคนก็อยากทําอยู่แล้วปัญหาแล้วสิ่งท้าทายของเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเราสามารถปล่อยวางความรู้สึก ถูกใจได้ไหมไม่ถูกใจได้ไหมและทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งๆ ท, ที่ไม่ถูกใจแล้วเราสามารถ เ, ออเสียสละความรู้สึกถูกใจในเมื่อสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องนั่นหมายถ้าเราปฏิบัติถูกทางแล้วมันจะถึงขั้นหนึ่งที่เหมือนกับคนไปทํานาหรือไปทํางานบางวันอากาศรอ้อนบางวันอากาศหนาวเราก็รับรู้อยู่เหมือนกันถ้าอยงง่างนี้ก็ต้องทํานาต้องทํางาน ไม่ทำไม่ได้ถ้าเราก็ถ้าร้อนมากๆาเราก็ไม่ชอบหนาวมากมกฝนตกมากๆากมันก็ไม่ชอบแต่อย่างไนก็ต้องทำงานที่นี้ความถูกต้องก็เหมือนกันเมื่อเรากำหนดสิ่งได้ถูกต้องแล้วบันทีก็ถูกใจบางบางทีนี้ก็ไม่ถูกใจก็เพื่อนก็เป็นทิ้งฟ้าอากาศเป็นสิ่งแวดล้อมเฉยๆเราไม่ได้สนคัญมันมาก แต่ทั้งหมดนี้ปัญญาที่จะกำนดว่าสิ่งน้นถูกต้องไม่ถูกต้องความสิ่งได้ความความสามารถที่จะแยกแยะระหว่างทุกกับผิษบุญบาปนั้นเกิดจากการให้เวลาในการดูภายใ น, นเราเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองในทุกอย่างเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ไ ม, ไม่ไม่ใช่เรื่องยากหรอก แล้วก็ดูในจิตใจของเราการกระทําบางสิ่งบางอย่างพูกบางสิ่งบางอย่างนะจิตใจรู้สึกของใสเบิก บ, บานนี่คือดวบุญนัารที่เราทําอะไรแล้วคูดอะไรแล้วจิตใจสศร้าหมองทุกรู้สึกสบบับสนอันนี้ก็ตัวอักขุสโสมเกิดมาเรียนรู้จะประสบการณ์ไม่ใช่ตรรษ ด, ดแต่มิ่งสำคัญที่ว่าเราต้องให้เวลาเหมือนกับกเล่นเปียโนและทําอะไรไม่ใช่เราจะได้ ท, ทันทีต้องใช้เวลานาน การฝึกจิตให้สามารถรู้ท่าทันเดินรู้อยู่ในทุกเหตุการณ์เนี่ยเรื่องเวลามีอะไรที่มันรุนแรงมีความสุขมากมีความทุกข์มากเนี่ยเราก็มัาจะรู้อยู่แต่้ส่วนมากประสบการณ์ของเราเมื่อกลางมันไม่ได้สุขมากไม่ได้ถูกมากตัวนี้ที่เราจะหลับนั้นคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตลืมตาหลับนั้นเราก็ เห็นอย่างนี้แล้วเลยว่าจะพยายามหลับกระตุ้นให้เวลารับตาดรอสิ่งที่มาเยอะๆมากระตุน้นภายนอกเพื่อจะไม่ใช่เพื่อจะหลอกลีกเพื่อจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งแต่ว่าเพื่อจะเรียนรู้ธรรมชาติเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดสุขเป็นประสบการณ์จบเมื่อเราเลิกตาแล้วไปทําหน้าที่ดอครอบครัวดอสังคมแล้วเราก็ได้ประสบการณ์เราก็ได้ความรู้เป็นปัญญา ในการดับทุกขสร้างสุขที่เราไว้ใจได้เป็นที่พึ่งของตนได้เราก็สามารถสร้างเรี่ยสุดแก่ส่วนกลุ่มได้ด้วยดังเราดูดายีธาตเป็นปัญญาทีบื่อกีนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะนำแนวความคิดอย่างนี้มา มาทำเป็นเรื่องจริงจากชีวิตของค ง, งรุ่นใหม่ทินี้อาจมากส็สารภาพว่ารู้สึกในในในวิดีโอนี้อาจจะดีว่าความจริงซะน้อยหนึานงาตัวเองก็ยังรู้สึกสะพามากๆ อ, อไม่ใช่การโฆษณาชวเชื่อแต่ว่ามันเป็นแนวาาทางปัญหาก็มีแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้รังเกียจปาญา นั่น อ, อย่างสังยุสานเรารู้ว่ามักน่ายแต่ยากลำบากเลยในทางทานบัญญารรกร ท, ท, ที่ปีแรกปีที่สองนี้่ํางานเยอะนี้ก็เริ่มจะได้เรียนรู้เริ่มจะปรับปรุงแต่ว่ามันยังไม่ใช่ว่าดีที่สุดแล้วเราก็ถือว่าดีที่สุดก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าราทุกคนพยายามครูก็พยายามนักเรียนก็พยายามปกครองพยา ย, ยามที่ไหนคือมีความสุขตรงน เรามีความิจอวันนี้ทมาก็ได้ให้โอเคิับคุณงาองกคุอ